หลังทำนะอปิธรรมปฏิบัตธรรมกันเถอะม่นีเทา่านรรมตามไม่ไนชีวิตเราก็จะไปสู่จุดหมายหลายทางตามให้จากความเป็นคนเป็นมนุษย์จากความมนุษย์เป็นพระ สูงตามรดับจนเป็นพระอหารได้ ม, มีทางอยู่ไม <c oughs> <c oughs> ่ว่าอะไรถ้ามีทางที่จะไปสู่ที่นั่นถ้าวู้ที่จะไปประสงค์จะไปสูงจะหมายแวทางที่นั่นก็ต้องเดินตามสผนที่ตามทางนั่นไปก็ถึงแน่นอนก็คือ ก็จะามเดินไ ป, ปทำนี่ทำนี่ไหน่พระพุทธเจ้าตรัไว้ดีแล้วง่าแล้วสะดวกแล้วสำหรับผู้ที่จะปฏิบัติตามทำนี่ไหนนั่นทำได้ทุกคนให้ผลได้ ตามทุกคนเจอผู้ที่จะปฏิบัติธรรมธรรมวินัยขนาดพูดเจ้านี่สมัยเป็นเช้าผ้าชาลในเล่าเรียนถึงหลายศาสตร์ตามตำลาว่า 16-17 ศาสตร์จบมาในการศึษาของโลกไม่ใช่ สามัญชนเท่าไหร่ปุทุชนเท่าไหร่เป็นผู้ไมสติปรรัญญาศึกษาแลยก็จบได้นั่นก็เป็นส่วนของโลกโลกวิเศษศาสตร์นรตศาสตร์วิทยศาสตร์ะต่างๆ แล้วคนที่เรียนเนี่ยนี่ก็ต้องมีความรู้ตามศาสตร์บ้างนั่นจึงเป็นเรื่องที่สะดวกสำหรับผู้ที่ศึกษาตามหลังที่พระพุทธเจ้าได้เดินไปแล้วน่ให้ยากสะดวก ว่าเป็นความสะดวกลองสัมบัติดูเรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยมันสะดวกผมรู้สึกตัวภ า, า, ายในกายภายในใจว่าใจะอะไรที่มันเกิดขึ้นมาในขณะที่เรามีความรู้สึกตัวอยู่นี่เรื่อความหลงมันไม่สะดวก เหมืนกับเราเดินตามทางเมื่อวันหลงเหมือนกับออกจากทางไปเป็นโลกเป็นโพงไม่สะดวกกลับมาสู่ทางมาลู่ที่ใดก็สะดวกทุกทีทุกครั้งดดสำหับผู้ที่สมผัลกับกันเดินกับถนนห น, ห น, หนทางทางที่มันอยู่ภายในใจเรานี่ยชีวิตเราจะเดินเบี่ยงผิด เาจะชินชาต่อความหลงความสุขความทุกข์ที่มัใช่ความรู้สึกตัวนแล้วก็ชินทางนั้นชินเล่าก็ชินแบบชินเล่าหรือว่ามันดีชินสุบุรีก็คิดว่ามันดีจึงทําตามสิ่งที่เราเห็นว่ามันดี เ, เงินมีทองก็ซื้อมาสูบมงมนดื่มคนที่โกรธก็เห็นว่ามันดีเพราะมันไม่เคยเห็นทางก็ปฏิบัติตามความโกรธจนสำเร็จทุกครั้งที่มันโกรธ แ, แล้วมันทุกข์ก็พอใจในความทุกข์ ยินดีในความทุกข์ในความทุกข์นอนอยู่กับเราข้ามวันข้ามปีนิดถึงแต่เรื่องที่ทำให้เป็นทุกข์ก็เหมือนเคยคิดทางนั้นเหมือนกับหญิงสาวคนหนึ่ง ม, มีเพื่อนที่เป็นภระอยู่นี่อยู่สุขโต้ ยากเป็นเพื่อนเพื่อนเคยรู้จักก่อนแล้วเขาก็เคยมาบวดแม่ชีที่วัดป่าสุกโตเสกไปทางบ้านให้เสกไปช่วยงานก็ไปใชวชีวิตวิปภาสเครียดยึดเป็นคนซึมเศรา้า รู้หน้ารู้ตาก็รู้สึกว่าซ้มเศร้ามากก็หน่อยเพราท่านจะต่อมาจะได้คิดจะจะช่วยลงดูคิดว่ามันช่วยได้ไมันใช่คิดว่ามันช่วยได้ก็ต้องช่วยได้จริงๆถ้าเชื่อกัน ก็มาพูดอยู่ทั้งหลาลนะทีเป็นเกือบชั่วโมงชวนให้ยิ้มก็ไม่ยิ้มเขาบอกว่าเขาคิดดีไม่เป็นคิดถึงแต่เรื่องที่ทำมาเป็นทุกข์เป็นโทษคิดดีไม่เป็นชวนคิดดีๆก็ไม่มาไปแต่ความคิดที่ไม่ดีซึมเศร้า อ, อยู่ชนนั้น หรือว่ามันเคยคิคหับจังเราก็เป็นอย่างนั้นกายของเราใจของเราเนี่ยแต่ถ้าเร า, าหัดที่มีสติด้วยถวนต้องทีแรกก็ต้องทวนกระแสสิ่งที่เหมือนเคยผ่านมาหลายหๆอย่างเคยใช้ชีวิตแบบไหนเป็นโทชาจริตก็โทชาจลิต แสงหน่าแสงหลองโมหะสลิดหาค่าสลิดเกิดขึ้นเป็นนิสยัยนันและหน้าหนักอึ้งทางจริ ง, รงแล้วปฏิบัติแล้วมีสติมันก็คู่แข่งก็ว่าได้เป็นคู่แข่ง เพื่อจะต้องเห็นต่อหน้าต่อตาแต่ถ้าเราเป็นธรรมที่เป็นคู่แข่งเป็นเครื่องมือที่ไหลกลับมาลู่จักตัวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ทำได้ทุกครั้งทำได้ทุกครั้งวันที่ทำได้ทุกครั้งในสิ่งที่มันดีมันถูกต้องแล้วก็ ชำนานมีพลังหลายด้านมีศรัทธามีความเชื่อมีความเพียรและกับคนที่ฝึกมาฝึกไก่ชนนักเล่นไก่นักเล่นมา้าเวลาฝึกไก่ชนเนี่ยก็ต้องเอาไก่ของเขาไปชนกับไก่ที่ที่ด้อยกว่า หัดให้เหมือนชนได้ชนะทุกครั้งเพราะไม่ต้องไปชนกับที่เหมือนเสมอก็จับดูน้ำหนักจับดูตัวของไก่ให้เป็นผมด้อยกว่าไก่ชนของเขาก็าหาดัดได้ไปชนสิบครั้งยี่สิบครั้งชนะทุกครั้งเขาหัดได้ชนะทุกครั้ ง, าาด ไ, ดนนกงไก่เขาก็เป็นไก่ที่เป็น นักไก่ชนที่ไม่ยอมแพ้ที่ไหเที่นั่นชนะทุกทีก็ไปลงสนามก็กลายเป็นไก่ชนที่มีประสบการณ์มีบิเรียนไม่ยอมแพ้ด้วยความหาาบันด้วยความต่อสู้ด้วยความเพียรด้วยไม่กลัวเจ็บโอ้ชนะทุกทีกลายเป็นไก่ชนที่มีค่ามี้นะคะาคาอาชิพก็เหมือนกัน มาแข่งกับมาที่มีผีเท่าไม่ดีแข่งที่ใดก็ชนะที่นั่น็ชื่อเคียมันให้พุงมุนลอยลูกหน้าลูกต่อแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็ย่มเท่าลงฮะที่ใดเดี๋ยวนอนได้ยินเสียงลูกเวทที่ใดมันย่นขนึ้นดนตีเอาเปนชนะ ได้ยินเสียงลูกเวทเหยื่อยลลนก็โดดโดเต้นอยากจะวิ่งอยากจะวิ่งหา ห, าหันหืดันันนเเห็นแต่ก่อนอยู่บ้านเก่าบ้านก็อาเ่น้บ้านมาแฉงๆๆแต่ไม่มีได้ยินเสียงลูกเวทก็เฉยๆนี่คือหั สอบเลยชาม ช, ช่างอะมาตั้งแต่นี่เราปฏิบัติธรรมนี่ไม่มีศรัทธาให้มีความเพียรให้มีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญาเป็นพลังสนับสนุนในการทําความเพียรอย่าดุ้นดุ้นดุ้นโด น, นามความเพียรด้วยความขี้เกียจขี้คลาน มีสติด the no no ้วยความไม่ขย <vient> <amplified> ันไม่พอใจหิดหน้าคิดหลังว่วงเรื่องนั้นว่วงเรื่องนี้ยืดอดยืดยอดมันจะหัดตัวเองไม่ดีต้องให้มีความพร้อมว่าสมควรในตอนที่จะเดินทางในการที่จะไปทางไหนม่อจานสะมวลที่เดินทางจากเชียงใหม่ถึงภาคใต้ มันมีความพความที่ต้องเดินยังไงก็ต้องเดินไม่พบเงินสักบาทถ้าไม่ถ้าไม่มีให้ใครให้ก็จะไม่กินจะไม่อ้าปากขอเน้ก็ไม่ต้องขอรมีพอได้เจกินที่ไหนก็เติมกินไ ก็ไม่ตายนี่คน <c oughs> เห็นคนช่วยอยู่จังหวาจะเดินจะเดินคำร้งองที่จะเดินมันมีอะไรที่จะทำให้สนดสูงก่อนเดินในคราวเดียวกันเยอยะแยะไปเลยมีเราปฏิบัติรมเท่าแท้ง่ายกว่าทุกอย่าง หนึ่งหล่ธรรมชาตินักบวจนก้าวเสาพัดกัญญาดามิดตักพระภิกษุแม่ชีพิกษุณีอุบาสิกาอุบาสกธรรมงชอดป่าไม้ป่านอกใน่อยรอบตัวเรา ขอเกา ก, ก็ดีีบรรยากาศดีดพวกเราก็มิเป็นมีเป็นเพื่อนดีๆการความอยู่ด้วยกันอาหารบินบาดก็พอดีพอดีไม่ได้เลือลอบางอาจารย์รว้วนเดินทาง จะยังถึงจุดหมายปลายทานได้เป็นแนวร่วมที่เกิดกับเราปฏิบัติเยอะแยะเลยแนยวอีกธรรมวินัยที่เหมือนถูกต้องที่ตัดว้ดีเยอะแยะจนเครื่องมือมีนิมิตที่มองถึงได้เิ้นพระพุทธเจ้า ผู้บาอาจารย์จะมาถึงรุ่นพวกเรานี่ยเห็นไหนคุณอาจารย์ผู้สอนเช่นหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อเทียนก็ เ, เห็นอยู่นี่แม่หลาสวนมนต์ไหว้พระนี่ปล่อยออกมาจากภาษาบาลีคือเจ้าคุณพุทธทาสมั่นก็สะดวกหลายอย่าง ทำสอนเพื่เจ้ามาให้เป็นภาษาของเราภาษาไทยเหมาะสําหรับตําวัดเจ้าทวงเย็นสําหรับให้สังเกกรรมจิตกรรมของเราที่เป็นนักบวชหล่อหลอมเราทำไว้ไหนก็หล่อห ล, อ, ลอมเราช่วยเราอยู่ดีเป็นความสะดวกในการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมทำไว้ไหนมากที่สุดเลย นือไม่ไหลใครไม่ย่อยไม่ได้หลังสู่พ้าหน้าสู้ดินเขาหนาเขาหลังสู้ผ้าหน้าสินกัมแดดกัมฝนเขายังทำงานอยู่กลางแดด ก, กลางฝนเป็นเดือนเป็นปีเลยข้าวเลยหงเหงา อ, อยู่มอือจริงนี่ปฏิบัติธรรมเนี่ย พราะิตธาจะไม่เป็นนักบวชก็ได้ห่อได้ศึกษาหลายรูปแบบตั้งมาหปีเนี่ยสมานาดถึงปัญญาช น, นาถึงเรียนมา17ศาสตร์เห็นทุกที่ทุกแง่ทุกหนตามที่ได้เรียนได้สัมผัสได้มีผู้สอนปฏิบัติตาม ถ้างูคงไม่มาถึงพุทธเจ้าอยู่กับอาจารย์บระการตระบทระลาตะบทที่นั่งกับเพียงพอหรือครูท่องหกครูกกับใจนาสนใจวิรตะบที่ขัดกรรมผลที่ขัดเกลี่ยกำพลมักรีโคสอนนี่ล้วนแต่เป็นครูที่ดังๆสมัยนั้น ยังเอามาอยู่เลนคือผู้ฝึกวิ่งเป็นอจอแสดงว่าเหล้มขมบ่จงควรพวรจะมาถึงท ร, รมวินัยเนี่ยแบกมาเท่าไหร่จงหกปีหลุมมีความขยันอดทนแค่ไหนจึงสบายสำหรับพวกเราผู้ที่อยู่เป็นสุดท้ายไปหลังได้เห็นได้สมบัติได้ไม่ได้ยุ่งได้ยาก เหมือนเกิดประกอบไปได้เลยไม่ต้องใช้หัวคิดปัญญาอาะไรไม่เกี่ยวกับเพศก็ไหวได้ไม่ <c oughs> เกี่ยวกับชีวิตขนาดไหนหนมแย่ที่เหมาะที่สุดที่เราจะต้องมาปฏิบัติธรร ม, รมวิในเนี่ยมันสะดวกสะดวกเป็นอันนี้สมเกิดขึ้น เวลาอะไรที่มันเกิดขึ้นถ้าเรามีสติเนี่ยมันจะรู้สึกตัวเนี่ยความรู้สึกตัวมันพาให้เราบริสุทธิ์หมดจดเจาะเครื่องสมหองปฏิบัติเป็นภพมั่ยจันทรบริสุทธิ์จริงๆอะไรเกิดขึ้นมามันหลงเห็นมันหลงไม่ได้เป็นผู้หลงมันทุกข์เห็มันทุกข์ไม่ได้เป็นผู้ทุกข์ รู้สึกตัวมันมีกิเลสตัณนหนาเกิดขึ้นรู้สึกตัวว่าได้มีกิเลสจิตตัณหนาคอยทำให้เราเปิ่เพื่อนบริสุทธ์ทั้งกายทั้งใจมันก็เห็นได้อยู่สมบัติได้อยู่แค่ไหนเพียงไหลเป็นปัจจัตตังของผู้ปฏิบัติไม่น่าจะโทษถ อ, อยโทษแ ท, ท้เป็นหน้าที่จะกระตือรือร้นเมืก่อน มาได้สัมผัสกับชีวิตจริงๆด้วยกายด้วยใจจริงๆมันบริสุทธิ์หมดจดอยองลอยมีผลอย่างลายไม่ได้ลือไม่ได้ด้านได้ศึกษาได้สัมผัสของผู้ที่เห็นผู้ที่ผู้ปฏิบัติเองนี่คือของแท้ของจริง ให้ได้สมผัสในคราวเดียวกันไม่อยู่คนละทิศละทางจึงเป็นเรื่องที่เป็นกบเป็นรําขึ้นมาจริงๆไม่ได้เฉียงเหมือนก็ดทำนาทำไร่ต้องเสียงต่อเสียงเวลอบในผ้าอากาศรือกันลาคา ไม่มีคําว่าขาดทุนได้กำไรปฏิบัติธรรมไหนไม่ได้ลงทุนอะไรที่ไหนทุ่มเทที่ไหนเป็นนี่เป็นสินจักลาสร้างมักสร้างผลปฏิบัติตารรมทำไม่ไหนไมีอยู่ในตัวเราแล้ววิ่ก็คือวิเศษในเยอะน้าไปไม่มีใครนอกไปไหนที่ไหนอยู่กับตัวเราทั้งหมดเลย แต่เป็นำลำรลอก็อยู่ในกายในใจนี่แต่เป็นผู้ศึกษาก็เป็นสตินี่จะดวกเห็นทุกเรื่องที่มันเกิดกับกายกับใจรู้สึกเรารู้สึกตัวนี่แม้จะเป็นอนุบาลเป็นแค่ปฐมที่แรกมันก็ต้องประสบการณ์ได้ผลเรียนมากขึ้นถ้าเราได้เห็นสิ่งที่มัน เห็นบ่อยๆถ้าได้มีสิ่งที่มันมีบ่อยๆที่มันถูกต้องบ่อยๆแล้วก็มีประสบการณ์นั้นเราเป็นนักเรียนเรียนอนุบาลเรียนประถมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมารู้อะไรก็หมายอะไรทาอะไรเป็นแต่มันประสบการณ์มีบทเรียนมามล้วก็ทําเป็นไม่เกินความที่จะเป็น ควมคิดที่ปัญหาคำตอบโกงความคิดมันทำเป็นแล้วม่ต้องได้คิดยิ่งที่เป็นทรรมเป็นวินเป็นมรรคเป็นผลม่ต้องได้คิดมันบอกควมถูกบอกความผิดมันบอกนีนอก่อยู่ในปจัจจตังของผู้ปฏิบัติ ถ้าเราจะศึกษาโดยปฏิบัติตามธรรมตามวินัยจะเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยเกิดขึ้นแล้วไม่มีใครมาบอกว่าสอนช่วยตัวเองดูแลตัวเองอย่างส ง, งา่างามในการปฏิบัติธรรมเนี่ยนั่งอยู่คนเดียวก็งามนอนจะเดินจะยืนที่ไหนก็งามงามด้วยความไม่เปรอะเปื้อน ไม่ใช่งอไมได้ใบหน้าแต่เนื้อแต่ง ต, ตัวเป็นเรื่องที่เรากระตือรื้นนะเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเห็นเรื่องนี้สัมผัสเรื่องนี้ก็ตือรือร้นปล่อทางไหนปะกาศไปอโัโหลอย่าปรมาลาพาความไม่เปโลกเป็นลาบไปเสือ อทางสีแ้ ง, งแดงด้วนไม่เหมือนกับพวกเราทุกคนนี่ล้ำป่าของพวกเราไปแค่ที่แรกพูทเจ้าล้ปาอมีแนวร่วมนี่พวกเราเนี่ออย้ายังไงมันสะดวกไปที่ไหนปุ่มบ่าไปคนก็นยกมือไหว้หวที่ของดีใจ คนเข้ายกมือใส้หว้อวันนี้แล้วจะเป็นคนประมาท ก, ก็เต็มทีแล้ววเจ้ารนี่ไปเป็นตำรวจยังถูกเขาด่าวัานไหนมีแต่มาขอข้าวขอเช้นไม่ท้อมาให้เช่นไรไม่ให้ไปไปวันนั้นก็มีนะต้าไหนเขาก็ด่าอะไร่าบ้า นุ่งผ้าอาจจะเป็นผ้าเร็วที่สุดก่าเราบ่งสุกุลผ้าขัดขาดผ้าที่หาตามสมมาซักมาปะมาย่อ ม, มาเย็บเราคิดดูแล้วเนะเราเนี่ยจะเร็วกี่ขนาดไหนเนะี่ยไม่ได้ทำแบบนั้น ถูกสนมสนุนโหลทุกรูปแบบพระเจ้าบุกเบิกมาให้วัตถวัาอารามที่เราอยู่มีมาแล้วสอง0ปีอาหารพิธี บ, บาทมีมาแล้วสอง0ปียังไม่ล้าสมัยยังนําอยู่เพราะมีอานิสงส์มีประโยชน์เกิ ด, กดแนวร่วมกันทั่วโลก ไปทางไหนเมื่อลมเบาเนี่ยจะรถต่อเรือเขาก็ซื้อมาให้ของใช้ของสอยซื้อมาใหา้สองสอมวันเีวก็อนเอาเป็นไปหมดมปลถบัสรัวใหญ่สองคนสามาคนมาปฏิบัติมาถามเรื่องการปฏิบัติว่า ไ, ได้ตะโกนเรียกเหมือนพระทเจ้าสมัยก่อน เราจะอยู่อย่างง่อยพวกเราไม่เห็นคุณค่าที่เป็นความถูกต้องเกิดอยู่ในเราไม่ศึกษาเลยจะไม่มีน้อมใจที่จะต้องดูอลไกันเลยมีคนอีกเท่าไหร่มีเท่าไหร่เท่าไหร่ง้อยเราก่อนย่าตาตาปียาญาติโลตาตายบประโยชน์ตัวโลก ในชีวิตแบบนี่ลองดูมันจะโ อ, โอ้สว่งามงามมีค่าพุทธจากรียาประโยชน์ใหญ่พระพุทธศาสนาทำให้ดูชุยเห็นพูดนในเปล่านี่คือชีวิตของเราแล้วก็เรก็อุนออ่นอกอุ่นใจเพื่อนมีมิตรที่จะไม่ปล่อยกันทิ้ง ไม่เกี่ยวเดียวดายเติมขึ้นมาก็มาร่วงกันทำวัดส่วนมีแต่ของดีๆมีผู้พูดมีผู้บอกมีผู้สอมนมีแต่เรื่องดีๆแตเรื่องที่มุดีก็อยู่ในโนาเนี่ยเรื่องไม่ดีก็อยู่ในโรานี่สามารถแช่ได้ทุกอย่างเวลารับปฏิบัติมันจะตื่นเรือรนจนเราเห็นความคิดที่ไม่ตั้งใจ แล้วมีสติอยู่ดีๆเนี่ยคิดขึ้นมาเนี่ยรูยมาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันเคยมันเคยมันเคยมารู้ทันทีนี่เหมือนกับเหมือนยุงนั่งอยู่ดีโยงมังกัดมันเจ็บก็รู้ทันทีไล่อ ย, ยูเนี่ยมันถูกต้องที่สุดแล้วอยู่ดีๆมันคิดขึ้นมามีสติไล่ความคิดออกไปถูกต้องแล้ว เราจะไ ม, ม่ให้มันไปมันก็ไม่ถูกต้องไม่มีใครที่จะประมาทในรงนี้ถ้ามีสตินะลัดตนสอนตนดูแลตนเตือนตนแจ้งให้ ต, น, น, ตนอยู่ทุกรูปทุกแบบมันร่างกาย้องดูแลร่างกายเองแต่ว่าดูแลแบบภายนอกเป็นยุมกัดเป็น ความหิวเป็นความเก็บความปว ด, ว ก, ด, ปวดก็บอกถ้าได้ป่วยก็บอกไม่ให้ไปทำอะไรให้พระก่อนนี่แลเราปฏิบัติยิ่งได้เห็นสิ่งที่ ด, ดีๆว่านี้มากว่าเราจึงว่าโอกาสดีเท่นั้ มาเป็นนักปวดกันเนี่ยชีวิตเรายังมีอยู่แท้ๆนยยังทำอะไรได้อยู่เนี่ยเราไม่มีโทษอะไรใดๆมีแต่ประโยชน์เราอยู่ที่นี่อีกหรอชีวิตที่กำลังเกิดความดีด้วยเราอยู่ในป่าในตรงในปฏิบัติธรรมยังคิดถึงพวกเราอยู่ยีกหลายคนกาลังมีความสุขกับเราด้คิดถึงที่ พวกเราพากันปฏิบัติที่ใดเราก็คิดถึงเป็นที่พึ่งพาใส่แม่นอนอยู่ในบ้านเราสมัไเป็นคารวาก็คิดเรื่องนี้เหมือนกันคิดว่ามีที่พึ่งคิดว่ามีที่พึ่งได้ ใ, ใส่บาตรก็ดีใจได้ไปรับศีลก็ดีใจได้ไปไหว้พระหืังสมลาก็ดีใจแค่นั้นก็มีความฉกได้ เพื่องูลกับการใช้ชีวิตเคยอกสันขวัห่อยเคยอะไรที่เกิดขึ้นหล่ยคิดถึงพระที่อยู่ในวัดเราอยู่ในบ้านมันก็มีประโยชน์มีผลกับทุกอย่ทั้งจิตวิญญาณของคนดีไม่น้อยเราอยู่ที่นี่แต่เราก็ได้อยู่ที่นี่ก็ได้ <c oughs> ดูแลสิงแหวนล้อม ส่วนสเฉลี่ยทำใมมันดีขึ้นมาออเป็นสมบัติของส่วนรวมของโลกประยิงใหญ่นะแ้วไม่ใช่ส่วนตัวนะอเอออยากจะเชียร์ฉ่ น, นี่ไได้ต้องใปฏิบัติธรรมทาให้ควรเจอีรย ทำง่ายๆไม่ต้องรีบตรงเรื่องไม่ต้องคร่งเครียดทำํทำทาปฏิบัติตามทาไปไหยไม่ใช่ความซึ่งเครียดกรอบเร่งรีบทำพาไ ป, ำำไปเองทานาไปเองแต่เราปฏิบัติตามๆๆไปไนวิไห น, ไหนจะนาไปวิคือวิเศร็จในยะนําไปสู่ความถูกความตรงทุกทุเรื่อ ง, ปปปปงไปโอ๊ย มือนกับผ่านไปผ่านไปไอ้จา้า้ค่าสึกไปเรื่อยๆจนไม่มีไปในชีวิตของเราอาจจะไม่ช้าแเราเดินตามทางไม่ไหนน้โด็ทั้งหวัวใ จ, จทั้งใจออสมมวันเจอนะิญแล้วเนาะ